เพราะความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเทาง่านั้นแต่ลงพระพุทธญาณกำลังนำเสนอในช่วงที่ประยะมานมาไปจนพระพุทธเจ้าหลังจากประทับเสวยวิมุติสุขมาถึงสัปดาห์ที่แปดคือเลยช่วงประทับเสวยวิมุติสุขแล้ว พยามามมาก็คล้ายๆจะทดสอบแต่ไม่ค่อยมั่นใจอะไรเท่าไหร่เมื่อพระพุทธเจ้าได้แสดงสถานะของพระองค์ชัดเจนก็ยอมรับแล้วก็อุปมาตัวเองว่าเหมือนกากามมพบศิลาแล้วเข้าใจว่าศิลานั้นเป็นอาหารก็โผลลงจิกกินก็บาดเจ็บแก่ทำสร้างความบาดเจ็บไปแก่ตัวเอง ก็เมื่อไม่สามารถจะเอาพระพุทธเจ้ามาไว้หนำหนากต้ตนได้ก็หลีกไปเมื่อหลีกไปจากนั้นแล้วก็ไปนั่งขัดสมาธิตีพื้นดินไม่ไกลจากพระภูมิพระภาคลักษณะกริยาการของท่านนั้นแสดงถึงการท้อถอยผิดหวังโทมนัดครับแค้นแล้วก็เสียใจก็ทำนองหมดอะไรต่อยาก เพราะตามล้างดำผ่านพระพุทธเจ้ามาในช่วงที่เป็นประโพธิสัตร์ถึงเจ็ดปีหกปีนะฮะไม่ประสบความสาเมร็จมาปีที่เจ็นี่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ายิ่งแล้วยิ่งก็จบ ก, กันวังกิยาการทั้งหมดนี้ท่านบอกว่าเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณไม่ขีดแผ่นดิบอยู่ เพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่ามารตนนี้เป็นเทวปุตรมารไม่ใช่เป็นกิเลสมารอย่างที่ชอบอธิบายกันในเกี่ยวกับลารเทศะนี่มันก็ต่างกันไปหมดจักาลนั้นเป็นสัปดาห์ที่แปดเทศะนั้นเป็นต้นไซจิงแต่ว่าเป็นการเสด็จประทับในสัปดาห์ที่แปด คืหลังจากสัสรุแล้วเจ็ดสัปดาห์นะครทีนี้ข้อความตรงนี้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่ามันมีทิมานหรือิดาหรือทิดาของพยมานทิดาของพยมานอีกก็เหมือนกันนะฮะเป็นทิดาเป็นเทพธิดาแต่ว่าทําตัวเป็นมานในคำร์นั้นอย่างที่บอกไว้ว่าไม่ชัดเจนว่า เมื่อตอนพระพุทธเจ้าประทับในครั้งที่สองหรือครั้งที่สามแต่ว่าที่ต้นสาแต่จะเป็นครั้งที่สองหรือครั้งไม่ใช่คือครั้งที่สองหรือครั้งที่สามก็ตามที่ต้นสาเนี่ยถ้าครั้งที่สองก็คือสัปดาห์ที่ห้าหรือถ้าเอาเฉพาะพระบาลีก็สัปดาห์ที่สองแต่ถ้าครั้งที่สามก็เป็นสัปดาห์ที่แปดถ้าเอาตามพระบาลีก็สัปดาห์ที่ห้า แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นหมดอาสวักิเลสไปตั้งแต่สัปดาห์แรกนะฮะคือวันแรกในสัปดาห์แรกของวันการของวันตรัสรู้ผลทุกลำดับขั้นตอนเป็นการยืนยันว่าเป็นกิเลสจะเป็นเทพบุตรมานทั้งหมดไม่ว่าจะจะกล่าวในช่วงใดก็ตาม และแม่ต่มาลที่มาระจญภายใต้ต้นประสีมาโพเองก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างเอาไว้ก็เป็นเทวดตาตมานเพอตอนขึ้นเดชปร ะ, สะเสด็จประทับนั่งบนโพที่บรรลังนั้นทรงบรรลุอรูปฌานสี่แล้วทรงสยบมารไว้ได้ตั้งแต่อรูปฌานที่สี่ตอนนั้นท่านได้รูปฌานที่แปดคือสมาบัตแปดแล้ว เราก็เลิกพูดเรื่องกิเลสสัมมารเรื่องขันธมานเรื่องอปิสังขารมารนะฮะแม้แต่เรื่องมัจจุมานมันก็มีอยู่มานเดียวคือเทพบุตรมานจะเป็นเทพ บ, บุตรหรือเทพธิดา ก, ก็ตามในพระสูตรแรกที่กล่าวไว้ในสตาวัสสูตรก็เป็นเทพบุตรมานทีนี้ในช่วงตัวนั้นแหละก็มีข้อความที่เรียกว่ามาละมาลทีตุสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยธิดาของมาน คือเกี่ยวเนื่องถึงกันีิดามานสามตนชื่อมันเหมือนกับกิเลสตว่าที่จริงกิเลสก็ไปเหมือนกับชื่อคนนะฮะเพราะชื่อคนมันมีมาก่อนชื่อกิเลสคือคนในยุคก่อนจากนั้นมันก็มีชื่อในอย่างเนี้ยเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็มีชื่ออย่างนี้เยอะในอินเดียคือชื่อตันหาราคาและตีไอจากชื่ออย่างเนี้ยทาให้คนไปที่พูด ต่ได้พูดในแนวที่เรียกว่าเป็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นภายในใจของภายในพระไทยของพระพุทธเจ้าโดยไม่รู้การละเทศะเพราะว่าการละเทศะนี่สาคัญมากนะเราลองสังเกตว่าสมมตวานากรถูกอ้างว่าฆ่าคนตายที่จังหวัดนราธิวาสในเวลานั้นนายกอรอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเ็นไปไม่ได้เลย เพราะว่ากาละกับเทศะเนี่ยมันต่างกันกาละเทศะการกระทาเนี่ยมันต่างกันเทศะนี่มันอยู่ทางภาคเนือกาละก็อยู่กาละนี่มันเท่ากันเนี่ยนะฮะเวลาเดียวกันแต่เทศะมันต่างกันบพาะนายกจะฆ่าคนไม่ได้เมื่อกกอยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่แน่นอนถ้าสั่งให้คนอื่นฆ่ามันก็ทาได้ โดยเฉพาะยุคสมัยปัจจุบันเันาเวลาเราพูดถึงอะไรเนี่ยมันต้องมองถึงคือถ้าเราคิดได้ดีเนี่ยฮะมันอยู่ในโครงสร้า ง, งศรรค์ริธีธรรมเจ็ดประการคือเหตุผลตนประมาณการเวลาบุคคลชุมชนทุกเรื่องเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องรวดเดียวเนี่ยเจ็ดประการแต่ตอนนั้นเทศานี่ท่านได้แสดงไว้ในสัรพริธีธรรมในแสดงไว้เพาะจงละ กาลามีเทสะก็มีนะฮะกาลามันอยู่ในเทสะไหนกาลามันเท่ากันทั่วโลกกันนะแต่เทสะนี่เป็นตัวจำแนกเช่นว่าเวลาห้าโมงของประเทศไทยเนี่ยในจังหวัดนั้นในส่วนใดของโลกในเวลาเท่าไหร่เวลาเนี่ยตามนาฬิกาไม่เท่ากันแต่ก็หมายความมาจงกับเวลาในประเทศไทยแต่เทสะนี่ต่างกันแน่นอน เพราะฉันเมื่อเทสะต่างกันเนี่ยการกระทาอย่างหนึ่งเนี่ยจะทําในเทสะหนึ่งไม่ได้เมื่อเขาอยู่ในเทสะอีแ่งหนึ่งเนี่ยถ้าเขาทาเองนะฮะถ้าเขาใช้ทำก็เป็นีเรื่องหนึ่งแต่ว่าในยุคสมัยตรงนี้มันก็อาจจะมีไอ้สื่อสารบางอย่างนะเช่นว่าการรบกันเนี่ยเขาอยู่ในเทสะอย่างหนึ่งแต่เขาสามารถทําลายคนในเทสะหนึ่งได้ เป็นพวกขีปืนาวุธอย่างเงี้ยมันยิงข้ามทวีปไปยิงจากสาหรัฐอเมริกามาตกที่จีนแดงได้ะอะไรต่รเนี่ยซึ่งห ม, มายความว่าการกระทํานั้นมันก็อยู่ที่เทศะหนึ่งแต่ผลจากการกระทํานั้นมันก็ไปตกอยู่ที่เทศะหนึ่งแลกลา่าก็ต่างกันดันั้นก็เป็นเรื่องพิเศษออกไปซึ่งก็สามารถจะสืบสอบกันได้นะ แต่ว่าในกรณีอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หมายความว่าสัพพยุตยานหรืออาสวัคยานหรือกัตยานเนี่ยมันทําลายสัพกิเลทเสที่เรียกชื่ออย่างไรช่างมันไม่ ม, มีมีเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่มีมารอีกประเภทอืน่นๆก็ถ้าจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือมัจจุมารก็คือความตาย แต่เราไม่เรียกว่าตายนะฮะเพราะว่าก็มีสติที่จะกําหนดกระถ่ายเพื่อนิพานโอกาสละจะนิพานท่านก็กาหนดกระถ่ายจะนิพานนะท่านนั้นทีนี้อาการกิริยาทั้งสามทางของมาลติดาทั้งสามเนี่ยมันเป็นแนวของคนเหมือนกันเป็นแนวของสิ่งมีชีวิตโดดเนที่เคลื่อนไหวได้ พะเตือนทั้งสามก็เข้าไปหาพ่อซึ่งนั่งสมาธิซบเซาอยู่เนี่ยบอกว่าคุณพ่อถ้ามีความเสียใจด้วยเหตุอะไรหรือเศร้าโศกถึงผู้ชายคนไหนมอกฉันจะปลูกผู้ชายคนนั้นด้วยบ่วงราคะนำมาถวายเหมือนบุคคลปลูกช้างมาจากป่าฉะนั้นบูรุษนั้นจกอยู่ในอำนาจของคุณพ่ออันนี้คือลักษณะของมาเนี่ยเขาจะหลงตัวเขาเ็เป็นอย่างนั้นนะ แต่ยังนึกถึงอาโลกยักษ์ที่มาคุ่มกูคุก ค, คามพระพุทธเจ้ามันพูดใหญ่พูดโตเหลือเกินอ่ะจะจับพระพุทธเจ้าฉีกออกเป็นสองฉีกสองซีกจับอีกซีกหนึ่งกว้างไปด้านหนึ่งคว้ากับปูกเขาแล้วก็กว้างไปอีกด้านหนึ่งอะไรพูดใหญ่โตเหลือเกินพระเจ้ารับสั่งให้สติว่าพูดได้นะจะทําไม่ได้แร้วพูดมันพูดได้แต่ว่าทําไม่ได้ เพราะเราเจนว่าพวกนี้เป็นลักษณะของคุ้นเคยอาการคนที่คุ้นเคยแล้วก็ชนะบ่อยๆเนี่ยมันจะกําริบสืบสารแต่ถ้าแพ้บ่อยๆมันจะหดหู่มันจะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองพวกนี้ชนะบ่อยๆประชาชนอด่อยากมันก็ก็กำเริเสืบสารนื่ ว, ว่าตัวเองเก่งไะตัวเองแน่และลองสังเกตว่าเขาเรียกว่าหมอ ง, งูตายพราะงู เป็นลักษณะอย่างนั้นนะแต่คนจะไม่สังเกตเองพราคนที่ประสบความสําเร็จอย่างเนี้จะตายเพราะเรื่องอย่างเนี้ยลองสังเกตประวัติศาสตร์ก็ดีเหตุการณ์ต่างๆก็ดีหรือแม่อะไรก็ดี น, นะฮะอย่างแผนนารีพิฆาตในเรื่องรามาเกียรตินางเตียวเสี้ยนริโพดังโตเนี่ยเห็นนะะนางเตียวเสี้ยนก็ตายอย่างนั้นเนะ่ยนางเบญจากายปลอมตัวมาเป็นนางสีดา ผลสุดท้ายก็จบจีวิตรงเป็นลักษณะอย่างนั้นนางสุวรรณมาเฉากิมาเด็ดศาสนาอย่า ง, งนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะหือผลสุดท้ายมันจะพ่ายแพ้ด้วยแรงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเหนือกว่าเนื่ว่าคนอื่นในจุดนั้ น, นะเราเนว่าเป็นจุดแข็งนะฮะแต่พอเจอกับเรื่องบางเรื่องมันกลายเป็นจุดอ่อนแนวที่เรียกว่า ความรักเกิดจากความรักกบมีความรักเกิดจากความโกรกมีความโกรกเกิดจากความโกรกมีความโกร Your, โกเกิดจากความรักกบมีเนี่ยสับไปสับมาเนี่ยคือคนพวกหนึ่งเนี่ยมันจะมองเพื่อเอาจุดแข็งเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ได้แต่ว่าวิธีการเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะเช่นสมมติว่าพวกเราเนี่ยพวกตัณหาที่มันเป็นกิเลสราคะที่มันเป็นกิเลสเนี่ยอรติที่มันเป็นกิเลสเนี่ย คีอเขาสามารถจะทําให้ตายได้โดยวิธีเพิ่มก็ได้นะฮะให้เราสังเกตคนที่มากด้วยตันหาเราทําให้ตายโดยกันเพิ่มตันหาได้มันเหมือนอะไรละ่ะมันเหมือนที่เขาตกเบ็ดอะเห็นไหมปลาบรญยติคุบเหยื่อเพนเราล่อได้เหยื่ยอโรเยเหยื่อลงไปโรเยเหยื่อลงไปโรเยโรเยรื่อลปลามาไปชุมกับดมบนมหาศาลท่อแแหโครมเดียวติดเดียวเลยนั่นแสดงว่า จุดแข็งของคนเหล่านี้ที่เขาเข้าใจว่าเขาเป็นจุดแข็งเนี่ยก็จะกลายเป็นจุดอ่อนเพราะพวกราค่าด้วยความกำหนัดเพื่อเพลินก็เหมือนกันไปเพิ่มความกำหนัดเท่าเพิ่มความกำหนัดเท่าพิ่มควาถ้ามันขาดสติไปเรื่อยๆแล้วบนสุดท้ายก็ตายด้วยความกำหนัดแต่ท่านเล่าถึงเจระเท่ตัวหนึ่งซึ่งถูกอ้อยด้เหยื่อถูกอ้อยด้วยอาหารถูกลากไปเรื่อยๆ ในสุดก็ติดกันอาหารเหล่านั้นหรือ ว, ว่าก็ต้องการจะฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยก็อาจจะอ่อยด้วยเหยื่อที่มันกําหนักพอใจคือร่อด้วยตัวมีอนะตัวผู้หรอลด้วยถุงมีออะไรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือการล่า น, นกยูงสมัยโบราณเนี้ยที่จริงมนุษย์เนี่ยมันก็พลิกแพลงเกกับเรื่องเหล่านี้ถ้าถ้าสังเกตติดตามนะคร สังเกตติดตามวิเคราะห์ที่มันเป็นรูปธรรมแล้วจะชัดเจนแล้วแต่ดีความไม่พอใจความไม่พอใจเขาจะใช้วิธีเพิ่มความไม่พอใจให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นแล้วบางทีมันก็เชื่อโยงทั้งปัญหาราคาอรารตีนะฮะทั้งกิเลสนะพูดในกันิกิเลสเราสังเกตว่าพอถึงในกรณีกิเลสยกตัวอย่างเช่นหานุมานไปทําลายสถาพิธีของทศกัณฐ์นะ ทศกัณเนี่ยมีราคาคือความกำหนัดในตัวนางมุนโถก็แสดงว่ามีตัณหาในนางมุนโถแล้วก็ศักดิ์ศรีของความเป็นสามีปัญญาด้วยนะฮะหนุมานทำทุกวิธีเนี่ยทศกาณเอทศกันไม่เคยโกรัวเลย้ตาโกวก็จะทำลายตะบะได้ ผลทศการฐจึงสร้างอารติคือความไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ยินดีไม่ยินดีนดจน ก, กลายเป็นโทสะโทสะโทสะแล้วกลายเป็นการประทุษร้ายเลยตาบากก็แตกโดยการเอานางมณโูมากระทาการย่ำยีต่างๆเอ๊ะไม่เป็นกระแสกิเลส ท, ที่มันต่อเนื่องกันมาได้แล้วก็กลายเป็นเขาคิดว่าเขาเป็นจุดแข็งนะนะแต่เจอคนฉลาดคนนี้จะกลายเป็นจุดอ่อนหมดทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นจุดอ่อนทั้งหมด วิธีการในทางโลกเขาจึงคิดาหาไอจุดแข็งของคนเหล่านั้นให้กลายเป็นจุดอ่อนเพราะจุดอ่อนแล้วมันจะขาดสติพอเข้ามาถึงจุดตรงนั้นเราจะขาดสตินะเทนเล่าถึงนกยูมพระโพธิสัตว์มีเ ว, มวาทมนตข์คาถาไร่อรรมศสการปราธิดอยู่ตลอดระยะเวลาใครก็ไม่สามารถจะจับได้ แต่ว่าจุดอ่อนของสัตว์โลกนี่คือการกินนอนกลัวฟังก็แนะนำให้ออนุออนกยูงมาขันให้มาขันก่อนที่จะไล่หมุนพอเสียงขันของนกยูงสาวเนี่ยมันไปบาดหัวใจของนกยูงหนุม่มลืมสายตาใหญ่หมุดลืมสายตาใหญ่หมดมันก็ขาดสติมันก็เข้ามาหาเสียงตามเสียงไปเรื่อ ย, อยแล้วก็ถูกจับได้ นั่นเราเจนว่ามันยวดด้วยรักค่ะใช้บ่วงคือราค่ะไปดึงสัตว์เหล่านั้นเข้ามาสู่อำนาจของตัวเอ ง, เรอ ง, งหรือว่านำยุงเหมือนกันก็นำยุงโพธิสัตว์เหมือนกันเนี่ยไม่จ่กวางวางวางทองถึงวางที่สวยงามมากแต่เขาต้องการจะจับมันจับไม่ได้ แต่ไม่ได้เขก็ใช้วิธีให้เอาน้ําพึ่งเนี่ยทาตามใบไม้กวางกินร่อยหวานใบไม้หวานด้วยนะมันอร่อยเพิ่มความอร่อยขึ้นแกกินเพลินเพลินเพลินต้ น, นไม้หวานแกกินเพลินไปหรือเข้าไปในวงล้อมขอเมืม่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวและสุดก็ถูกจับได้แต่มพวกนี้โลกมันก็ใช้เป็นเครื่องมือในกรณีของเป็นกิเลสเนี่ยมันก็ใช้เป็นเครื่องมือ แต่ใ น, ในกรณีที่เป็นคนซึ่งหนักในเรื่องเหล่านี้คนหนึ่งหนักไปทางตัณหาคนหนึ่งทะหนักไปทางราคะคนหนึ่งหนักไปทางอรติแล้วก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของตัวเองแต่คนที่รู้ความจริงเนี่ยเขาใช้เป็นจุดอ่อนได้ทั้งหมดนี่ใช้เป็นจุดอ่อนได้นะอย่างศึกสงครามของจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าใช้วิธีลออ่อโดยผลประโยชน์ ก็หมายความว่าเพิ่มเชื่อตัณหาให้แก่เขาถ้าคุณทําอย่างนี้คุณได้อย่างนี้คุณทําอย่างนี้คุณได้อย่างนี้ประวัติศาสตร์ของชาติเราก็เหมือนกันเห็นนแม่พระยาจั ก, กรีนะที่เป็นไส้ศึกให้แก่พม่าในกรุงแตกครั้งที่สอง 2. ก็เห็นจุดอ่อนของแกคือคี้โลภอะคือตัณหาจัดคือการมาตัณหาจัดเพราะะน้นมันก็ย่อโดยผลประโยชน์อยู่อโดยลาบยู่อโดยยศอยู่ด้วยสาวงามอยู่อโดยผลประโยชน์อยู่ด้วยตําแหนง่งนะไอเสือก็ตะลุดเลย และวิธีการต่างๆเนี่ยคือต้องยุให้เขาโกรธด้วยรู้สึกโธ ม, มันน่เสียใจน้อยใจไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมรับราชการมาตั้งนานและตําแหน่งไม่ก้าวห น, น้าแสดงว่าผู้บังคับบัญชาอารติอย่างนั้นก็รู้สึกใช้ทั้งสองจุดมันแทนที่จะใช้ตำหนานอย่างเดียวมันใช้อารติอารติเป็นการผลักตัวเองออกไปจากสถานที่นั้นได้ไปโจรเข้าไปสู่สถานที่หนึ่งหมายความมาทําให้เกลียดคนหนึ่งและรักคนหนึ่งในที่สุดมันก็ เรือที่ัวเรือชมจะออกไปหาอีกสายหนึ่งเพราะงั้นพวกนี้ถ้าเราไปเอาเป็นโครงสร้างไปวิเคราะห์เอกร่างต่างๆแล้วจะชัดเจนมากนะเจนมากว่ามนุษย์มันก็อยู่อย่างนี้แหละว่านางตันหาราคาที่เข้าไปชุดนี้ทั้งสามคนนะฮะคือเข้าไปพูดโดยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเชื่อมั่นในความมากด้วยวิธีของตันหาของตัวเอง ด้วยราคะของตัวเองด้วยอารติของตัวเองนะพะเาสามารถใช้พวกนี้ยเป็นบ่วงที่ผูกมัดใครก็ไม่รู้เอาคนชายคนนั้นมาให้อยู่ภายใต้อำนาจของบิดาตัวเองได้แต่เราจะเห็นว่าต่างกันนะคนหนึ่งรู้คนหนึงไม่รู้เป็นมารด้วยกันนะ่มารพกา่กับมารลูกมารลูกสาวนั้นพยองลําพองมากมารพ่ในหงองแล้วคือคือแพ้ซ้าําซาก หมดกำลังใจที่จะต่อสู้แล้วเพราะนั้นเธอแสดงความจริงนะฮะว่าชานั้นเป็นพระอารหันต์ดำเนินไปดีแล้วในโลกเพราะในความเป็นพระอารหันต์เนี่ยมันเบ็ดเสร็จเลยการดําเนินไปแล้วดีแล้วในโลกเนี่ยเป็นอาการของความเป็นประธานประการใดคนอย่างเนี้ยไม่เป็นผู้อันใครใครพึงนํามาด้วยราคาได้ง่ายๆที่จริงมันนําไม่ได้ แต่พยามารท่านไม่เข้าใจท่านยังนึกว่ามันก็นําไม่ได้ง่ายเพราะวิธีการของท่านเนี่ยไม่ใช่วิธีการนิ่มนวลทั้งหมดตลอดระยะเวลาเลยทัานสู้ด้วยวิธีการโฉมฉางอยกกองทัพมาท้าทายมาค่มคูมาคุกคามคือใช้แนวความกลัวแต่พวกนี้ไม่ได้ใช้ความกลัวนะฮะมันเข้าประชิดไลใช้ตัณหาใช้ราคะใช้อรติเนี่เข้าประชิดคือใกล้ตัวเลยพญามารก็เลยเลยนึกว่า ไม่ง่ายนะฮะคือแทนที่จะว่าไม่ได้เนี่ยท่านก็คิดว่าไม่ง่ายแต่โดยหลักความจริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ราคะก็ดีใช้ตัณหาก็ดีนะใช้อรารติก็ดีเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นจะไม่ยินดียินร้ยในอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะทำมาอย่างไงก็ตามในตรงนี้ในหนังสือบทที่แบ่งทวีปเอเชียโดยเซอร์เอ็ดวินอันโน์ซึ่งเป็น เอกสารทางพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสำคัญสูงในทวีปยุโรปอเมริกานะก็เป็นการเล่าเรื่องพุทธประวัติแต่ก็ผสมผสาน ร, ระหว่างหลักฐานทางเทรวาสหลักฐานทางมหายานในช่วงตรงนี้ท่านท่านได้กล่าวบรรยายไว้เป็นคำกลอนเลยหลายรอบมาก คื อ, อยังนึกถึงสถานการณ์ตรงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่จัดสรู้นี่เรียกว่าก็จบสิ้นกันเพราะถือว่าเป็นสุดใหญ่ที่สุดแต่พระพุทธเจ้ากลับทรงชัยชนะอย่างคือไม่หวั่นไหวอะไรเลยนะฮะไม่หวั่นไหวอะไรเลยประทับนั่งทากลางการดั่วยุนด้วยวิธีการต่างๆของพวกเรามันก็แสดงให้เห็นถึงว่า สัพพัญญุตยานก็ดีอาสวะกคยานก็ดีกัตะยานก็ดีเนี่ยมันทำลายกิเลสอาสวะไม่มีเชื้อของกิเลสอยูภายในทีนี้การที่ใจไม่มีเชื้อเนี่ยมันทำยังไงก็ไม่อยากไม่รักไม่ชงังไม่ยินดียินร้ายอย่างเงซึ่งในตัวเราเองชีวิตเราเองเราก็สามารถจะดูจิตเราได้นะว่าเรื่องบางเรื่องเป็นนันมากเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรกิเลสมันไม่ผูกขึ้นไห เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หรือบางทีเรารู้นะฮะบางทีเราไม่รู้เชนะ่นในกั น, นีที่เขามายกย่องชมเ ช, มชยเราด้วยภาษาอุรดูอย่างเงี้ยเราไม่รู้เราไม่รู้เราก็ไม่ยินดียินได้เลยหรือบางทีเขามาด่าด้วยภาษาอุรดูเอ้าเราก็ไม่รู้อีกเราก็ไม่กลัว ทีนี้บางทีเนี่ยเข้ามายกย่องชมเชยเราด้วยภาษาที่เรารู้แต่ก็เราเห็นว่าเป็นเรื่องเสแสร้งเป็นเรื่องไร้สาระไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเราดีไม่ดีเรารู้เราอบางทีก็ยกยอปอปั้นจนเกินเหตุเกินผลไปเราก็รู้ว่าเป็นเรื่องไม่ได้ทำได้จริงใจอะไรเราก็ไม่ยินดียินได้อะไรก็ปล่อยเข้าไปก็เป็นเรื่องที่เขามีสิทธิ์พูดเขามีสิทธิ์ทำนะฮะแต่เราก็จะไม่อ่อนไหวไปกับเรื่องเหล น, นั้น วันวิธีการตรงนี้หลักการต่อสู้สรงนี้ก็คือต่อสู้ด้วยรู้มันเป็นแสงสว่างนะครที่ความมืดเกิดขึ้นมันก็ขจัดแสงสว่างไม่ได้หรือว่าใครไม่ทําไม่สามารถจะทําน้ําในหมาสมูดให้จืดได้นะน้ําทั้งหมาสมูดนะไม่จะเอาน้ําในหมาสมูดมากร้านนะไมก่กานได้ เพาะความเค็มกับน้ํามันคนละเรื่องกันแต่มันก็สอนใจเราอีกทีหนึ่งนะเป็นเรื่องจิตกับเจตสิกเนี่ยมันก็จิตเหมือนกับน้ํานะฮะเจตสิกเหมือนกับความเค็มไอ้เจตสิกมันก็ไม่ใช่น้ําน้ําก็ไม่ใช่เจตสิกนะไม่ใช่เแต่ไอ้ความเข็มก็ไม่ใช่น้ําน้ําก็ไม่ใช่ความเค็มเพราะงั้นก็แยกความเค็มออกจากน้ําได้กิเลสกับจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่จุดตรงนี้ก็ทําให้เรามองเห็นถึง บุคคลคนหนึ่งแต่ว่าพื้นฐานในการมองของคนนั้นแตกต่างกันก็จะเห็นความแตกต่างจากการของอมารมารพ่อกับมารลูกสาวต้องฟังทงั้งหลายแต่รมประพทยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี